พระบัญญัติ 1,080 กพัิกษณีใดบวชให้สิทมามนาผู้ยังไม่ได้ศึกษาศิทธาในธรรมหวข้อตลอดสองปีต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพิกษณีหลายรูปจบ